ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่28เฮเครื่องป้องกันตัวของสาวกลายเป็นอาวุธร้ายของชายโฉดหนุ่มลูกน้องแคนลูกพี่สาวสลัดรักช็อตด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าแล้วลากมาขืนใจถ่ายคลิปเป็นการปิดปาก อุปกรณ์ป้องกันตัวสำหรับสุจริตชนสมัยนี้ก็คืออาวุธสำหรับทอรชนนั่นเองและนับวันยิ่งน่ากลัวและก็ควบคุมยากไม่ทราบจะหาเส้นแบ่งกันตรงไหนระหว่างใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันตัวกับลุกรานคนอื่นความจริงอาวุธไม่เคยทำร้ายใครนะครับมันอยู่ของมันเฉยๆแต่จิตใจที่ไร้าสานึกของคนเรานี่แหละที่หยิบอาวุธขึ้นมาทาร้ายกัน และอีกความจริงหนึ่งก็คืออาวุธสำหรับการก่ออาชญากรรมทางเพศนั้นไม่ใช่เพิ่งมามีกันเมื่อสิบปีที่แล้วร้อยปีพันปีก่อนก็มีแถมยังน่ากลัวกว่าเครื่องช็อตไฟฟ้าเป็นไหนๆอย่างเช่นสเสนยาแฟดขคาถาอาคมมนดำตลอดจนการใช้วิชาสะกดจิตเอาดือด้อของพักนี้ถ้าโดนเข้ากับตัวก็จับมือใครดมไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ทราบจะไปหาหลักฐานมัด ต, ตัวคนร้ายอย่างไรอาวุธสำหรับก่ออาชญากรรมทางเพศในปัจจุบันเป็นของหาง่ายไม่ต้องพลิกแผ่นดินสอหาอาจารย์ดีมีวิชาอาคมให้เหนื่อยแค่รู้จักแหล่งเส้นหน่อยจ่ายเงินลงทุนพอๆกับค่าจ้างทําเสนยาแฟดก็ได้อาวุธไว้ใช้ไม่จากัดจานวนครั้งแล้วแถมไม่ต้องสนเรื่องข้อห้ามต่างๆเป็นต้นว่า ทำเสน่ห์ใส่ใครต้องรับผิดชอบคนนั้นห้ามทิ้งแต่เครื่องช็อตเนี่ยอยากรังแกใครก็รังแกรังแกเสร็จจะทิ้งคว้างก็ไม่ผิดสูตรวิธีใช้แต่ประการใดเซ็กระหว่างหญิงชายเป็นได้ทั้งความสนุกร่วมกันและการทำร้ายกันพลิกกันแค่ตรงที่สมยอมหรือปฏิเสธเท่านั้นกรณีของข่าวหน้ากลุ่มชิ้นนี้ฝ่ายช้ไม่ใช่คนแปลกหน้า ถว่าถือเป็นคนสนิททีเดียวเนื่องจากฝ่ายหญิงยอมรับว่านอกจากอีกฝ่ายจะเป็นลูกน้องของตนแล้วตนยังยอมคบหาดูใจด้วยเพราะนึกว่าเป็นคนดีแต่ความดีงามหรือจะสู้ความบ้ารักพอยอมคบกันลูกน้องหนุ่มแสดงตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไปไหนจะต้องคอยโทรตามตลอดและความหึงหวงนั่นแหละตัวการผลักคนรักให้ออกห่างซึ่งก็ไม่เว้นแม้แต่รายนี้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 ดังเดิมบุคคลที่เป็นข่าวจึงไม่น่าจะเป็นคนเลวร้ายอะไรแต่ก็สามารถคิดร้ายได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหาอาวุธมาไว้ในครอบครองโดยง่ายทุกคนอยากให้ผู้หญิงมีอุปกรณ์ป้องกันตัวแต่เมื่ออุปกรณ์ป้องกันตัวอาจแปลงร่างเป็นอาวุธร้ายเสียเองแล้วเราจะพอมีทางเลือกอื่นที่จะป้องกันตัวไหมมีสิครับ ก็ในเมื่อเครื่องมือรุกรานยังใช้วิธีลึกลับแบบวยศาสตร์ได้แล้วทาไมเราจะใช้เครื่องป้องกันในเชิงลึกลับบ้างไม่ได้ละ่ะตามธรรมชาตินั้นไม่มีสิ่งใดปกป้องมนุษย์ได้ดีเท่าอํานาจแห่งศีลเพราะผู้รักษาศีลได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผลของการเป็นผู้ไม่เบียดเบียนย่อมมีอนิสงส์เป็นการไม่ถูกเบียดเบียนเช่นกันอํานาจของศีล ที่ตั้งมั่นตลอดชีวิตจะนำคุณเดินไปบนเส้นทางแห่งความรักและการครองคู่ที่ถูกต้องตลอดจนยืนอยู่บนฐานแห่งความปลอดภัยไร้กังวลนอกจากศีลก็ควรต้องมีความฉลาดในการดูคนด้วยนะครับอย่าเพิ่งให้ความหวังใครก่อนจะรู้จักท้าแท้ความเป็นเขาเสียก่อนการเลือกคนผิดก็เหมือนเอาตัวเข้าไปติดกับดักคุณอาจแย้งว่า ความใกล้ชิดบังคับให้เผลอใจและจะให้ดูอย่างไรในเมื่อท่าแท้ของคนมักปรากฏต่อเมื่อสนิทกันแล้วคําตอบคือรู้จักกันอย่างเพื่อนสนิทที่ไม่มีสิทธิ์แตะเนื้อต้องตัวเขาก็จะไม่มีสิทธิ์หึงหวงแล้วคุณก็จะได้มีสิทธิ์เห็นท่าแท้จากความเป็นเพื่อนสนิทนั้นด้วย